สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่12ข้อที่31ถึงข้อที่33ครับซึ่งจะซ้ํากับเมื่อวานนี้ในแง่ของพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่เนื้อหาประเด็นที่ผมอยากจะแบ่งปันนั้นก็จะมีเพิ่มเติมกว่าเมื่อวานนี้ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งพงศษบทที่12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 พฤติการของเยโรบอรัมซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายเหนือกษัตริย์ฝ่ายเหนือที่มีราชบัลลังก์ครอบครองสิบเผ่าเหนือนะครับสิ่งที่เยโรบอรัมทํานั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้ามากเพราะว่าโปร่งทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงแต่งตั้งปุโรหิตที่ไม่ใช่คนเลวีอันนี้คือผิดอย่างมหาศาลนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสถานบูชานั้นบนที่สูงนั้นเป็นสถานบูชาที่เรียนแบบพวกพระทั้งหลายครับหรือเทวรูปทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้าแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นได้อนุ ญ, ญาตให้โซโลมอนได้สร้างพระวิหารขึ้นมาเพื่อที่จะให้อิสราเอลนั้นไม่หลงไปที่จะกราบไหว้รูปเคารพไม่หลงไปที่จะกราบไหว้ บัวทองคำไม่หลงไปที่จะกราบไหวอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเยเรามั้นกับสร้างสถานบูชาขึ้นมาในขณะเดียวกันก็แต่งตั้งโปรโรหิตที่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าแทนที่จะเป็นชาวเลวีกับกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปและยังกําหนดเทศกาลฉลองในวันที่15บห้าที่8เพื่อที่จะเลียนแบบเทศกาลในยูดาห์และ ถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชานั้นและทําในที่เบ็ดเอลครับพี่น้องครับเบ็ดเอลเบ็ดแปลว่าบ้านเอลแปลว่าพระเจ้าทําในสถานที่เรียกว่าเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นเมืองเบ็ดเอลและถวายบูชาลูกวัวทองคําซึ่งอันนี้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดในเรื่องของความเลวร้วายครับสุดยอดในเรื่องของความเลวร้วเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้ว่าเขาจะรู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้านั้นได้เกลียดชัง การกราบไหวลูกเคารพเขาก็ยังจงใจที่จะสร้างลูกอัวทองคำขึ้นมาแล้วก็แต่งตั้งปุโรหิตขึ้นมาแล้วก็ตัวเองนั้นก็ไปถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชาอันนี้คือสิ่งที่หน้าเกลียดหน้าชังหน้าสะอิดสะเอียนและเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆครับพี่น้องครับในสมัยบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนชาติอิสราเอลอับราฮัมอิสอักยาโคบ เราเข็ยนนะครับว่ายาโคบได้ถวายตัวแด่พระเจ้าที่เมืองนี้คือเมืองเบตเอลพี่น้องครับในประถมการบทที่28เราได้พบว่ารู้ว่าเมืองเบดเอลนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งการอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของยาโคบแต่ณเวลานี้เยเรวามนั้นเปลี่ยนเบตเอลเป็นศูนย์กลางทางศาสนาเทียมเท็จของอิสราเอลเพื่อแข่งกับอ ย, ยู่เยรูซาเลม็ม ในเบตเอลนั้นมีรูปเคารพเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วทําให้อิสราเอลในที่สุดนั้นก็ล่มสลายลงเบตเอลกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าชั่วร้ายและกล่าวว่ายรูปเคารพผู้เผยเพจนะโฮเชยาและอาโมดนั้นเห็นความบาปของเบตเอลและกล่าวโทษเมืองนี้เพราะว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่ปราศจากพระเจ้าโดยเริ่มต้นจากเยโลโบอัมครับพี่น้องพี่น้องครับบ้านของพระเจ้า กลายเป็นบ้านของมันซาตานไปการนมัสการพระเจ้าหรือการอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้ากลายเป็นสถานที่ที่ชั่วร้ายชกรกรกป๋กมีรูปเคารพเป็นศูนย์กลางไปอิสราเอลล่มสลายเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฝั่งพระเจ้าเพราะว่าเขามีผู้นําที่เล่นการเมืองเขามีผู้นําที่ต้องการสามมอครับก็คือ อยากจะมีม้ามากมีเมียมากและก็มีความมั่งคั่งมากมายเมื่อกับในที่สุดแล้วสัตว์จะทำความจริงก็หวนกลับมาถึงการที่มนุษย์นั้นเลิกแสวงหาพระเจ้าแต่แสวงหาเกียรติยศแสวงหาความมั่งคั่งแสวงหาความสําเร็จและแสวงหาความพึงพอใจทางด้านร่างกายทางทางเพศทางอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่นี่คือที่มาของความหายนะ์พี่น้องครับหากเรามีครอบครัวที่เบี่ยงเบนออกจากทางของพระเจ้าหากเรามีสถาบรันหรือมีองค์การหรือมีคิสจักที่เบี่ยงเบนออกจากทางของพระเจ้าโดยผู้นำที่ทำให้ประชากรของพระเจ้านั้นได้หลงไปเอาวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ ก็เหมือนกับการตั้งศาสนาใหม่ที่ต่อต้านพระเจ้าครับโดยที่มีแรงจูงใจมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่ไม่ใช่อยู่ในนามไทยของพระเจ้าและไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าและบทบัญญัติของพระองค์แล้วแล้วก็ความหายณะก็จะมาถึงเมืองที่เคยเป็นเมืองที่อุทิศชีวิตถวายแด่พระเจ้ากลายเป็นเมืองที่ไปกราบไหว้ลูกเขารพนั่นคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมาก ความบาปของการเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์นั้นก็เกิดจากความอิจฉากันครับเกิดจากการที่พี่น้องครับอิสราเอลแม้ว่าจะรวมเป็นหนึ่งภายใต้การปกครองของโซโลมอนหรือดาวิดแต่ความตึงเครียดความอิจฉาระหว่างเผ่าก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขความอิจฉานั้นในที่สุดนั้นก็นำมาซึ่งความเกลียดชังและเกือบจะเกิดสงครามการเมืองครับถ้าพระเจ้าไม่ได้ห้ามไว้ก่อน แต่พี่น้องครับเราจะเห็นว่าอย่างไรก็ตามการแทรกซึมของความบาปต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งสามมอก็ทำให้ในที่สุดแล้วเยรวซามผิดพลาดอย่างมหาศและกษัตริย์ฝ่ายเหนือต่อมาทั้งหมดอีก19องค์รวมทั้งเยรวอามด้วย20องค์นั้นก็เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นไม่ ยอมรับพระเจ้าแม้ว่าชื่อขเขาเป็นอิสราเอลแต่ว่าตัวเขานั้นไม่ได้เป็นอิสราเอลครับตัวตนของเขาจริงๆก็คือเป็นตัวตนที่มอบถวายบูชาให้กับความบาปและมารซาตานการฟื้นฟูศาสนาของเยรูซามก็ชักนำให้ผู้คนนั้นได้หลงเจิญไปจากทางของพระเจ้าและอิทธิพลนี้เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อมาในยุคต่างๆ หรือในสมัยต่างๆต่อชนชาติอิสราเอลเป็นอย่างมากเลยครับการเปลี่ยนแปลงของเยโรโบอันั้นกระทบถึงรากถึงรากแห่งกำลังและเรี่ยวแรงของอิสราเอลก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าของอิสราเอลเยโรโบอัมนั้นได้คิดค้นหาแล้วก็มโนโทางของตัวเองวิธีการต่างๆเหล่านี้เสาะแสวงหาที่ปรึกษาคำปรึกษาเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกประเทศ และการแบ่งแยกนี้ก็ทำลายทุกอย่างของความเป็นอิสราเอลไปพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ทางศาสนาเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวอิสราเอลหันกลับไปยังพระวิหารอันสง่างามและหันไปหาหีบแห่งพันธสัญญาหันไปหาระบบการถวายบูชาที่นำการยกบาปการคืนดีมาให้เยารามสร้างสิ่งทดแทนขึ้นพี่น้องครับนั่นแหละครับ และเยาวะอัมก็บอกกับประชากรว่านี่คือพระทั้งหลายของท่านที่นําท่านออกจากประเทศอียิปต์พี่น้องครับนั่นคือเครื่องมือในการนัสการพระเยโอวาซึ่งบิดเบือนไปรูปปั้นหรือวัตถุที่เป็นตัวแทนของพระที่ตนนับศการนั้นมันเป็นแนวคิดของวัฒนธรรมโบราณของชาวคณะอันครับพี่น้องครับการสร้างวัตถุที่เป็นตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นไม้กางเขนหรืออะไรก็ตามแล้วน้มาสการไม้กางเขนหรือน้มาสการสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นวัตถุเป็นเรื่องที่ผิดบาปทั้งสิ้นการวางแผนออกแบบสร้างสถานนมาสการในที่สูงการแต่งตั้งปุโรหิตจากคนทุกประเภทการจัดเทศกาลฉลองขึ้นใหม่ซึ่งมีความคล้ายคลึงเรียนแบบกันและมีปูโรหิตปลอม เทียมเท็จที่ทำการถวายบูชาด้วยพี่น้องครับดูแล้วก็รู้สึกว่าดีนะครับถ้าดูผิวเผินนะไม่เลวทีเดียวเหมือนกับยูดาเลยครับแต่ไม่เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าครับและในบทต่อไปซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงส่งผู้เผยพระจนะคนหนึ่งครับมาประนาม มาชี้ให้เห็นถึงความเลวร้วายและการล่อลวงให้หลงที่เยรูอนนั้นกระทำกับประชากรของพระเจ้าและในสุดนำมาซึ่งความหายนะันตขอพระเจ้าช่วยเราในในการที่เราจะเรียนรู้บทเรียนจากเยรูวอัมในครั้งนี้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าหากว่าอยากจะได้ผลประโยชน์ที่ตกกับตัวเองตกกับพวกพ้องตกกับ อำนาจต่างๆในแง่ของการที่จะมีความมั่งคัง่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศได้รับการยกย่องแล้วก็มีความพึงพอใจทางกายภาพทางด้านความสัมพันธ์ร่างกายพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความบาปทั้งสิน้นหากมีความปรารถนาที่จะได้มาด้วยท่าทีต่างๆนะครับและใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องทางด้านเป็นเรื่องของการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับ จะกลายเป็นความบาปแล้วนำมาซึ่งระบบต่างๆระบบใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดูเหมือนดีแต่ชั่วร้ายครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เป็นคนแบบนั้นในขณะเดียวกันครับเราต้องอธิษฐานเผื่อเราต้องช่วยเหลือนะครับคนที่มีแนวโน้มที่จะตกไปในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับอาเมน